Mm hm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 ด้วยการเลี้ยงพระถวายสังฆทานพอดพระบางสกุลและอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือการแสดงธรรมแสดงธรรมเพื่ออะไรนะแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจนะในธรรมะหรือความจรงิงที่เรียกว่าสัจธรรมที่จริงความจรงิงหรือธรรมะที่จะได้ ในงานศพไม่จาเป็นที่จะต้องมาจากหลวงพ่อหลวงตาหรือพระที่มาเป็นผู้แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมกระถึกที่จริงธรรมะที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นชัดเจนกว่านั้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะก็จากผู้ที่วงลับซึ่งตอนนี้ได้ทอดร่างอยู่ในหีบ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 หรือถึงจะอยู่ห่างไกลจากความตายก็ไม่กลัวตายคนที่ทำความดีมั่นใจในความดีน่จะกลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยกล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญ บ, บุญบา ร, รมีเพื่อการตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า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 ในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยอมไม่กลัวปรโลกอีกที่หนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงธรรมดาคนเราเนะไม่อยากนึกถึงความตายนึกถึงความตายแล้วโดยเพพาะความตายของเจ้าของ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 อายังตาถากระตะสาปชิมวาจานี่เป็นพระวาจามีในขั้นสุดท้ายของพระตาถาคตเจ้าเมื่อเราทําความดีเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะมีความกล้าก้าล่าเริงไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าถ้าตายก็ไปดีและถ้าทำความดีแล้วเนี่ยถึงเวลาตายนี่ก็จะตายสงบได้นะเพราะจิตใจมีปิติเวลาจะตายก็นึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงค์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 โดยเป็นหมาอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างนี้คุ้มไหมหามาด้วยความเหนื่อยยากเสร็จแล้วทรัพ์ก็ไม่ได้ทำให้ไปดีไปสบายไปสวรรค์ต้องมาเฝ้าทรั์เป็นหมาเนี่ยอันนี้ว่าทุกติเพราะฉะนั้นต้องรู้จกักปล่อยรู้จักวางเดอ้อแต่ว่าไม่ใช่มาปล่อยเอาตอนจะตายนะมันต้องปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ของหายเงินหายมันหายไปแล้วก็ปล่อยวางซะ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 ไม่ปล่อยไม่วางาอะไรที่จะช่วยทำให้เตือนใจให้เราหมั่นทำความดีเล่าเว้นความชั่วและรู้จักปล่อยวางก็คือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอราลึกถึงคำสอนสุดท้ายของพระเจ้าเนี่ยที่อัตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทาประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท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 คำเทศของอตาตมาสิกก็พอสมควรจากเวลานะก็ขออนุมโมทน า, าญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันบาเ พ, พ็ญกุศลผู้ที่ได้กรบหลวงพ่อบุญธรรมผู้ที่ได้ล่วงลัคจากไปก็ขอให้อํานาจแห่งบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญอานวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาพล ะ, พะเพื่อเป็นพรวะวปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนา เพื่อเป็นเครื่องรักษาใจให้มีความผ่องแผ้วไม่กลัวความตายมั่นใจในชีวิตที่ได้บาเพ็ญและมันบาเพ็ญมันปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบกับความสุขความเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์ให้ได้บังเกิดปัญญาเข้าถึงความสุกเกษมสารมีพระนิพพาน